เรียกเต็มว่าวิรีนสีพึงเห็นได้ในสัมมปทานสีบางแห่งว่าความเพียรที่ได้ด้วยปรารพบัมมปทานสีหรือตัวสัมมปทานสีนั่นเองบางทีก็พูดในสั้นลงว่าความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมและทากุศลธรรมให้ถึงพร้อมการมีความแกล้งกล้ า, ลาแข็งขันบากบันมั่นคงไม่ทอดุระในกุศลธรรม